ในอริยสัจที่เราศึกษากันในช่วงนี้นะถือว่าเรียนนิโรธสัจจะนิโรธสัจจนั้นเป็นเป็นจุดโป่งหมายของหลายท่านเวลาทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาแทงตลอดนิโรธกันใช่ไหมทาบุญก็ตั้งความปรารถนาอาสวะขยยาวางนิพพานนางโหโต ก, ก็ตั้งความปรารถนาพระนิพพานกัน ถือคือการปรารถนาอันนี้มานานอาจารย์เคสอนตั้งความปรารถนาอย่างนี้มาตั้งกับเด็กหรือเปล่าตั้งความปรารถนามร์สีผลสีนิพานหนึ่งตั้งแต่เป็นละอ่อนน้อยๆนะอ้าว ป, ป, ปรารถนาเป็นอะไรแทนอ๋อผลบั ต, ต, ต, ต, ตาผลนรกอันเดียวกันนั่นแหละเปลี่ยนคํำเฉยๆเปลี่ยนจำนวนใหม่อันละมูนปรารถนาตั้งกันเด็กๆเลยหรือเปล่านิพานเนี่ย อ๋อแปลว่าทำไมเด็กๆไม่ค่อยได้ไปําบุญณส่บาดแบบกับย่ากับย า, ายเพราย่ายายทั้งหลายเขาจะพาให้ลูกลานเนี่ยตั้งความปรารถนาแบบนี้กันอะคุณป้าคนหนึ่งบอกว่าคุณป้านเนี่ยขมบขมิบเนี่ยตั้งความปรารถนาว่ายังไงบอกว่ามักสีผลสีนี่ผ่านหนึ่งวนันเออแล้วก็เขาก็ขมบขมิบกันว่ากันอย่างนั้นมานอนเต็มทีแล้วนะคุณธพาเนาะ เขาว่าอย่างนี้แหละเนี่ยนะไม่รู้คืออะไรแต่เขาว่าดีอ่ะเขาว่าดีเราก็อยากได้ดีแบบนั้นบ้างเนี่ยะแต่พอมาเรียนเรื่องนี้ผ่านนีดหน่อ <c> ย <oughs> ตั้งความปรารถนามาตั้งนานอ่ะนะพอเรียนเข้าจริงๆละหน่อยเลยนะเออทําไมเป็นอย่างั้นไปได้ <c oughs> เหมือนอะไรนะเหมือนอยากจะไปที่บางแห่งมากเลยนะพอพูดถึงสิ่งนั้นเละทํำท่าชักจะมขาขยับไปแต่ละ ซึ่งนิพพานเนี่ยนะที่เป็นนิโรธสัจจะเป็น อ, น ส, อนสังคตธรรมเนี่ยเป็นธรรมะที่ที่ดับวัตทุธรรมะเป็นที่ดับทุก ค, คือนิโรธสัจจะหรือพระนิพพานเนี่ยนะเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งความปรารถนามานานว่าขอแทงตลอดหรือขอบรรลุพระนิพพานเนี่ยเมื่อบรรลุพระนิพพานแล้วก็จะแสดงธรรมให้ผู้อื่น บรรลุพระนิพพานด้วยเนี่ยนะคำว่า น, นิพพานนั้นหมายถึงความดับทุก์เนี่ยนะดับทุกซึ่งถ้าหากว่าผู้ที่ไม่เข้าใจความคำว่าทุกขจะเข้าใจความดับทุกขได้อย่างไรเนี่ยนะอันที่สําคัญจะต้องมาทําความเข้าใจในคําว่าทุกเหตุแห่งทุกข์ให้มากถ้ารู้จักทุกเหตุแห่งทุกข์เท่าไหร่ความดับทุกขจึงจับทราบซึง้งเนี่ยนะ เปรียบเหมือนว่าคนรู้จักโรคต้นเหตุแห่งโรคความหายโรคจึงจำปรารถนาความหายโรคจึงน่าปรารถนามหาพูดกระทบมหาพูดปฐวีกระทบปฐวีสัทธายตนะก็เกิดขึ้นหูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณ ประชมกันสามสามประการเกิดผภัาสะท่าสะเป็นปัจจัยจึงเกิดโทมนัตเวทน า, าโทมนัตเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตันหาบอกเมื่อไหร่จะเงียบๆอย่างนั้นนะก็เลยมโนกรรมก็ทําขึ้นเพื่อให้มีหูอีกต่อไป <c oughs> ได้ยินเ อ, อได้ยินเสียงแบบนี้นะเชื่อไหมสร้างหูวะนะแต่ว่าหูจกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าหากว่าเราจะปรารถนาความดับทุกข์เนี่ยนะก็ต้องทำความเข้าใจในคำว่าทุกทุกคืออะไรหนออะไรคือตัวทุกข์นอะํำความเข้าใจอันนี้ให้ดีๆใช่ัหยอะไรบ้างคือตัวทุกข์ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ ความเศร้าโศกก็เป็นทุกข์นีนะความคร่ําครวญก็เป็นทุกข์ความทุกข์กายก็เป็นทุกข์ความเสียใจก็เป็นทุกข์ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์พลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อทุกข์อันนั้นก็คือขันธ์ห้าหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ ตัวทุกข์อันนั้นก็คือตาหูจมูกเลนกายใจฮั้นตาหูจมูกเลนกายใจซึ่งเป็นตัวทุกข์อย่างนี้เนี่ยนะถามว่าต้นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์คืออะไรต้นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาใช่ไหมอ่าถ้ามองแบบเห็นเห็นเลยก็คือตัณหาแต่ถ้ามองอีกในหนึ่งคืออวิชชาทั้งอวิชชากับตัณหาเนี่ยนะก็มีหลักการอย่างนี้ว่า ตันหาจะชอบในสิ่งที่อวิชชาปิด น, นะถ้าอาวิชชาไม่ปิดนะตันหาไม่ชอบแต่เนื่องจากว่าอาวิชชาเนี่ยปกปิดความจริงของสิ่งนั้นไว้เนี่ยนะตันหาเลยชอบถ้าหากว่าวิชาเกิดขึ้นรู้ตามเป็นจริงเนี่ยนะไม่ชอบหรอกแต่เนื่องจากว่าอาวิชชาเนี่ยปกปิดไว้ทําให้ไม่เห็นความจริงเลยชอบเพราะว่า อวิชามไม่ให้รู้เหตุเกิดความดับอัาธาอาธีนวะนิสรณะของวัตถุนั้นนั้นตัณหาก็เลยเพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์เหล่านั้นซึ่งสมุทัยสัตว์เนี่ยที่ที่เราปรารถนาจะแทงตลอดนิโรศรจะต้องเข้าใจสมุทัยสัตว์ให้ดีๆเลยคงพอสรุปทบทวนได้นะว่าหูเนี่ยมันเกิดได้ยังไงวิธีสร้างหูสร้างได้ยังไง นนะก็ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงพูดโดยสรุปเนี่ยคือการสร้างหูทุกครั้งที่เห็นมีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะถือว่าการสร้างตาทุกครั้งที่รู้กลิ่นถือว่าเป็นการสร้างจมูกทุกครั้งที่รู้รสชื่อว่าเป็นการสร้างลิ้นตอนนี้อากาศเป็นยังไงพอดีใช่ไหมบรรยากาศขนาดนี้เอออากาศพอดีสร้างอะไร สร้างกายคิดไปเรื่อยความคิดเหล่านี้คือการสร้างใจเพราะฉะนั้นก็ทุกคนนี่ไม่ว่างจากการก่อสร้างเลยสร้างตาหูจมูกลิ้นกาใจแต่ว่าสร้างจะสร้างดีหรือไม่ดีอยู่ที่กรรมภาระของตัญหาพาสร้างอย่างเดียวนะส่วนคุณภาพของวัตถุดิบจะเป็นอย่างไรดีขนาดไหนเยี่ยมหรือเลวอยู่ที่กรรมกรรมเป็นตัวจาแนกทาให ตาหูจมูกลิ้นกายใจเลวหรือประณีตได้ดีหรือตกยากเนี่ยนะนะอันนั้นเป็นหน้าที่ของกรรมแต่ตัณหาพาสร้างอย่างเดียวสร้างตาสร้างหูสร้างจมูกสร้างลิ้นสร้างกายและสร้างสร้างใจเนีย่ยนะคนะงพอสาธยายทําความเข้าใจในโลกะนิโรธสูตรหรือว่าธรรมะประเภทเดียวกันเนี่ยให้ดีๆอาไว้นะถ้าไม่ไม่เข้าใจในส่วนนี้เราไม่รู้ว่าจะดับไปทําไมนะ อาศัยตากับรูปเกิดจากขวิญญาณธรรมะสมอย่างประชุมกันเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเจืงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเจือเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยเจือเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยเจืงเกิดภพเพราะภเป็นปัจจัยเจืงเกิดตาเนี่ย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 ถ้าไม่คิดบ่อยๆอย่างงี้มันจะสร้างต่อหรือจะดับคงทุกทวารขึ้นต้นด้วยอะไรตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจการมีตาเพื่อว่าโดยรวมๆคือการสร้างตามีหูเพื่อสร้างหูมีจมูกเพื่อสร้างจมูกมีลิ้นเพื่อสร้างลิ้น มีกายเพื่อสร้างกายมีใจเพื่อสร้างใจนั้นเราก็ทุกครั้งที่รับอารมณ์เนี่ยคือการสร้างทวารทั้งทั้งหกน่นะทุกครั้งที่รู้อารมณ์หกคือการสร้างทวารหกนี่เมื่อทำความเข้าใจไงตัวที่สร้างทวารหกหลักๆคืออะไรตันหาอวิชชาแล้วก็ ตัวเนี้ยเป็นตัวตัวสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไเพราะอาศัยตารูปปัจจันหาก็เกิดพันธุ์รูปปัจจันหาตัวนี้แหละเป็นตัวสร้างตาเพราะอาศัยหูสัตวท่ตันหาก็เกิดเพื่อสร้างหูเพราะมีจมกูกคันทตันหาเกิดเพื่อสร้างจมกูกเพราะมีลิ้นอะไร รัศาตัณหาเกิดขึ้นเพื่อสร้างลิ้นอาศัยกายโพธภาตัณหาเกิดขึ้นเพื่อสร้างกายอาศัยใจเนี่ยนะธรรมะตัณหาเกิดขึ้นเพื่อสร้างใจทางนั้นทางนี้เนื่องจากว่าอาวิชชาเนี่ยปกปิดอะไรปกปิดไม่ให้รู้อันนะัสมุทยังค้าไม่ให้รู้สมุทัยใช่ไหม อัถังคมะอัตสาธะอาทีนวะและนิสรณะในตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าผัสสะยตนะหกหันหน้าวิชาเนี่ยคือความไม่รู้เหตุเกิดความดับอัตสาธะอาทีนวะนิสรณะของ ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือผัสสายยตนาหกฮั้นตัวตันหาตัวอวิชชาเนี่ยคือตัวสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจฮั้นทุกครั้งที่เราเห็นเป็นกรรมไหมเป็นเห็นเฉยๆก็มนโนกรรมพูดด้วยก็เป็นวจีกรรมท้านนึกคิดก็เป็นมนโนกรรมพฤติกรรมแสดงออกก็เป็นกายกรรมทั้ อตั้งตาเห็นเนี่ยคือการอาวิชชาตันหากรรมเนี่ยเป็นไปเล ย, ย น, นวะัตตะก็เป็นไปอย่างนี้ฮันตัวเนี่ยคืออีกมีชื่อว่าขยายวัตตะเเป็นตัวที่เพื่อขยายวัตตะโดยประการทั้งปวงซึ่งทีนี้ถามว่า ทำไมเราจึงต้องการดับตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจละ่ะเหตุผลอะไรประสองค์อะไรจึงจึงปรารถนานิพพานนักเกินเพื่อที่จะดับตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจมันเลวนักหรืออย่างไรมันเป็นยังไงทำไมจึงอยากดับมันจางเกศดาทำไมจึงนึกอยากจะดับตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจขึ้นมามันเสียหายตรงไหน มีตาก็ได้ดูสีสวยๆมีหูก็ได้ฟังเสียงเพราะๆมีจมูกก็ได้รู้กลิ่นหอมๆมีลิ้นก็ทานอาหารอร่อยๆมีร่างกายก็ได้นอนห้องแอร์สบายๆไปเที่ยวที่ไหนก็เพลินออกมีใจก็ได้เคล็ดการเลยนะปล่อยใจคิดไปเรื่อยล่องลอยไปในวิมานทั้งหลายเลเนี่ยนะน อ, ยนะอ๋อเฝ้านานหนูนะเนี่ยถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องมาบินว่อนอย่างนี้ย ทำไมจึงอยากดับมันคุณชูศีมันเสียหายยังไงตาหูจมูกลิ้นกายใจอืออืออือใช่ ว่าจะได้ตาแบบนี้ใช่ไหเพราะดูคนอื่นด้วยความโกรธว่าเยอะอย่างเงี้ยนะถ้าดูด้วยตาถาลึงตาดูอ่ะนะอนาคตตาเหลือก เ, ยกเลยตาดูอนาคตตาเอียงอย่างา เ, า ง, าเางีเ้ยเลยก็ ว่ารวมๆเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าคงคงไม่ลืมทุกขศัพย์ใช่ไหมตัวทุกขศัพย์ที่เราเพิ่งเรียนผ่านมาฟังผ่านมาเนี่ยนะถามว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างคนที่ปรารถนาจะดับตาหูจมูกลิ้นกาจเนี่ยเนื่องจากเขาทำตีระณะปริญญาโดยดีอยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปกับชาติอะไร ผลของชาติคือชราผลของหลังจากชราก็พราก็บวกพยาธิอยู่ในตัวใช่ น, น, นี่ยนะพันอานิสงส์ของการมีกายเนี่ยเราก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยววันศุกร์จะได้เรียนต่อว่าเออมีร่างกายแล้วมันดียังไงไม่ใช่โทษติเนาะเพื่อจะได้ดูโทษว่าเออมีแล้วมันมีโทษยังไงบ้างตอนเนี้ยเรามีบุญบุญมันให้ผลเราก็เลยดูมันกายเนี่ยมันมันดีมันไม่บกพร่องใช่ไหม ถ้าบุญส่วนไหนมันหมดก่อนนะพร้อมที่จะเสียได้ทุกแห่งในที่สุดมรณะถามว่าเสียใจบ่อยไหมเพราะมีอาศัยสิ่งเหล่านี้นะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนั์และอะไรอุปาญาตนนะหลายๆครั้งก็เป็นอะไรเพราะอะไรเพราะวิปโยคทุกบ้างเพราะ สัมประโยชทุกบ้างเพราะปราถนาบ้าง น, นะทุกนะทุกนะเนสโกะปริเทวทุกขโนะทม น, นัสนนะเนื่องจากพลาดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักเช่นญาติตายเป็นต้นเนี่ยนะก็ทุก น, นะประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักประจบอะไรประจบกับหนี้สินเป็นต้นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นที่รักแน่ประจวบกับศัตรูอย่างเงี้ย น, นะก็ไม่เป็นที่รัก แล้วก็หวังอะไรก็ไม่เป็นดังที่หวังนะต้องการอะไรก็ไม่เป็นอย่างที่ต้องการบอกลูกซ้ายลูกเขาเที่ยวไปขวาอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ไม่สมหวังสักอย่างเลยแต่ว่าว่าโดยรวมๆมันนะปรารถนาดังใจไม่ได้นึกคืออะไรเพราะตัวชาติเนี่ยคือตัวอันตรายเพราะชาติคือการเกิดใช่ไหมที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายที่ไหนบ้างของเราก็การ ม, มาพบสิบเอ็ด ถ้าได้ชานก็เพิ่มเป็นรูปประพบได้ไดอารูปประชานก็เป็นรูปประพบพอเกิดในการมาพบ11ก็เกิดประเภทสประเภทนะเกิดในคันเกิดในไข่เกิดใ น, นเท้ า, าคลยเกิดเป็นโอปปาติกะเป็นต้นนะปฏิสนธิจิตก็มีตั้งหลายประเภทเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะทุกภพภูมิทุกคนทุกแห่งก็คือ ตาหูจมูกเล้นกายใจพะะนันพบสามกำเนิดสี่คติห้าคือตาหูจมูกเล้นกายใจมันก็ตาเนี่ยใครเคยดูให้ให้ดูซะให้เต็มอิ่มมีไหมไม่มีอิ่มนะเพราะตาเนี่ยมันตันหามันสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นการดูนี่จึงไม่มีคําว่าอิ่มพอหูเนี่ยตันหาก็สร้างขึ้นเพราะะนันไม่มีใครฟังแล้วพ อ, อนะไ จมูกก็ตันหาเนี่ยสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นจมูกจึงเป็นแดนโครจรแห่งตันหาจึงไม่รู้จักพอลิ้นเนี่ยคือแดนโครจรแห่งตันหาตันหาสร้างขึ้นใช่เพราะฉะนั้นจึงไม่เบื่อหน่ายในการรู้รสกายเนี่ยตันหาสร้างขึ้นจึงไม่เบื่อหน่ายในการรับกระทบใจก็ถูกตันหาเนี่ยสร้างขึ้นมันจึงไม่เบื่อหน่ายใน ในความคิดเพั้นัญหานี่มันเชื่อมโยงประสานกันไม่ทำให้ไม่รู้จักเบื่อเนี่ยเพลิดเพลินหลงไหลติดข้องอยู่อยู่อย่างนั้นตลอดไปเน่ น, นะพราะั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายก็กเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่ใดก็ตามในภพใดก็ตามก็เป็นไปกับความเกิดความแก่ความเจ็บและ ความตายเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจนะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ใจเป็นอเนกประการนนั้ถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียได้ถือว่าเป็นเป็นสุขอย่างยิ่งนะถ้าดับเสียได้ถือว่าเป็นความสุขอย่างแท้จริงทีนี้ถ้าจะดับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยดับดับได้ยังไง ก็บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเป็นที่ตันหาเนี่ยชอบมากเป็นที่ตั้งแห่งตันหาเป็นที่ตันหาเพลิดเพลินถ้าจะหากว่าจะดับก็ต้องดับตันหาในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วรู้เห็นอย่างไรจึงจะสิ้นตันหาในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็บอกว่ารู้เหตุเกิดใช่ไหมเหตุเกิดของตาก็เนี่ยเหตุเกิดของตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือ ตันหาอาวิชชาและกรรมถ้าในภพนี้ทุกแห่งก็ต้องดำรงอยู่ด้วยอาหารอยู่แล้วยังไงเขาก็ต้องดำรงอยู่ด้วยอาหารอันนี้คือเหตุเกิดของตาใช่ไหมถ้าตาจะดับดับที่อะไรพระพุทธศาสนากล่าวถึงถ้าจะดับดับที่เหตุหรือสมุ ท, ทยัยก็ดับตันหาอาวิชชากรรมถ้าภพนี้นะถ้าอาหารดับ กายนี้ก็แตกทำลายแต่ว่าเราเนี่ยสนใจวิธีสร้างตา ม, มากกว่าวิธีดับตาอันนี้พูดถึงในชีวิตที่เป็นจริงนะไม่ใช่ตอนเรียนธรรมะเพราะเวลาเรียนธรรมะเราเรียนแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงสร้างตา23าชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็เลยต่างกันมากทีนี้ความดับตานี่ก็คือการเพิ่ม ตัณหาเพิกอวิชชาแล้วก็เพิกกรรมแต่ว่ามันไม่ยอมให้เพิกเนื่องจากว่ามันมีอัศทะมากเนี่ยนะมีตาเนี่ยนะมีอัศทะมากนะเพลดิดเพลินในการดูกว่าจะรู้ตัวมีสติอีกครั้งหนึ่งก็ตัณหาท่วมทับไปตั้งนานเลยนะมีไหมบางทีเนี่ยสามชั่วโมงผ่านไปนึกธรรมะไม่ได้ออกมันนึกไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียวเนี่ยนะกูมัชูมีไห ดูอะไรเพลินๆไปตั้งสามชั่วโมงแล้วเออมีธรรมะด้วยเหรอเงี้ยนะก็เพลินมาอันทีก็ฟังไปเรื่อยใช่ไหมนานถ้ายิ่งถ้าเป็นทวารตายยิ่งเห็นชัดนะอ่านหนังสือทั่วทวไปใช่ไหมอ่านไปเรื่อยอ่านจบไปเล่มหนึ่งแล้วเออนี่สร้างตาไปขนานขนาดนี้แล้วเหรออย่างเงี้ย น, นั้นเนื่องจากว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอัศามาอาัศาธรารมากแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีโทษใช่ไหม ถ้าโทษก็อย่างอาธีนว่าสัญญาก็โทษของตาหูจมูกลิ้นกายก็คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคกายคือผมโรคกายคือขนโรคกายคืออะไรเล็บโรคกายคือฟันโรคกายคือโรคผิวหนังโรคไล่ไปตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดโรคในบรรดาโรคที่ ที่สังเวชมากเลยนะเพิ่งเห็นแล้วสังเวชนี่ก็คือโรคมะเร็งผิวหนังที่มันกินหน้าผากักเ่ยนะวันนั้นนะ่ะเห็นแล้วขนลุกเลยมะเร็งหน้าผักที่มันกินเออกินตรงหน้าผากักอนะแล้วมันเจาะลึกไปถึงสมองแล้วก็ข้างบนตาเนี่จนถึงกตาเนี่ยเลือกออกมาเลยคงจะเจ็บปวดมากอลยนะก็กินลึกไปถึงสมองแต่เคยเห็นที่ประสบอุบัติเหตุสมองร่วงมาเนี่ยเราก็ว่าก็ก ไม่สังเวชเท่าไอ้ภาพบันกอดพั้นก็ถามว่าโรคทั้งหลายเนี่ยลงที่ไหนก็ลงที่กายสารพัด ท, ทุกข์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายนั้นทุกข์โทษทั้งหลายอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายถ้าหากว่ากายอันนี้นะเป็นหมู่เดรฉ า, านจะเป็นยังไงถ้าเป็นกบก็ถูกถลกหนังเป็นต้นเนี่ยนะตรง ห้าข้อนี้นะสมุทัยนะฮะเหตุเกิดของตาหรือเหตุเกิดของรูปนี่นะกับอัฏฐามากคือความดับเนี่ยตรงนี้เราจัดเราจัดเป็นญาตับปัญญาได้ไหมครับเพราะว่าอาทีนวะชัดเจนอยู่แล้วอาัศาธ า, าชัดเจนอยู่แล้ว<อ>ว่าเป็นตีระปัญญาอสาธาเป็นสมุทัยสัตว์อาทีนวะเป็นถ้าอย่างนั้นก็ทั้งสามทุกขสัตว์<อ>นิสรณะเป็น มักกะสัตต์กับนิโรสัจจะเนี่ยนะส่วนสมุทัยสมุทัยก็คือสมุทัยสัตต์อัดฐังคมะคือความดับก็เป็นนิโ ร, โรสัจจะเนี่ยนะแต่ว่าเป็นพวกนี้ยังโลกิ ย, ยานเป็นยานที่เป็นโลกิยะที่เข้าไปที่จาจรณาเนี่ยนะ เพราะว่าผู้ที่รู้สมุทัยคือเหตุเกิดละทิฐิอะไรรู้เหตุเกิดนะละอุดเฉททิธฐินะรู้อัดทังคมาละสัตตทิฐินนะเพราะนั้นความรู้ในรู้เหตุเกิดกับความดับนี้จึงจำเป็นมากในเบื้องต้นเนี่ยนะ พวก อ, อารทีนวะตรงนี้อีกชื่อหนึ่งก็คืออาทีนวานุปัสนาตามเพ่งโทษตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่าที่มีอยู่เนี่ยนะเท่าที่มีอยู่ถ้าเราเกิดมาแล้วตาเราก็พิการนะหูก็เสียจมูกก็แหว่งเพดานก็โวอย่างเงี้ยนะร่างกายก็พิกงพิการ ลิ้นก็จุกปากไปหมดเลยอย่างนี้นร่างกายก็ไม่สมประกอบไม่สมส่วนไปที่ไหนเขาก็ไล่หนีใจก็เป็นประเภทอาเหตุตุกะปฏิสนธิเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมันจะทุกข์สับปานใดที่ทั้งหมดที่มันน่ากลัวเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยถ้าใครรู้เงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องกรรมดีๆที่ไม่กลัววัตตะไม่มีเข้าใจกฎเกณฑ์การให้ผลของกรรมนะ ถ้ารู้กฎเกณฑ์ของการให้ผลของกรรมแล้วะนะวัตตะมันน่ากลัวจริงๆดังที่กล่าวว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตกุศลกรรมหรืออาคุศลกรรมเกิดมากก็อาคุศลเกิดมากทีนี้เมื่ออาคุศลมันเกิดมากแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นสุขให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันก็ต้องให้ผลเป็นทุกข์เมื่อให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยนะเราก็เห็นแล้วว่าในโลกนี้มีทุกข์มากกว่ามากกว่าสุขมันนะ เมื่อเห็นโทษมากๆเข้าเนี่ยการที่พระผู้มีพระภาคแสดงโทษของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเพื่อให้เรารู้อะไรเพื่อให้รู้ว่าถ้ารู้โทษมากๆก็เพื่อให้ละนะอย่างที่สูตรที่แจกแจกกันไปเนี่ยนะณตมหาตุ ก, กะสูตรว่าดูความพี่สูตรทั้งหลายสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเยมื่อสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเนี่ยเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนั้นที่เธอละแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขตานี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละตาเสียตาที่เธอทั้งหลายละแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขหูไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละหูเสียหูที่เธอทั้งหลายละแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขจมูกไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจมูกเสียจมูกที่เธอทั้งหลายละแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข ลิ้นไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละลิ้นเสียลิ้นที่เธอทั้งหลายละแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขกายไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละกายเสียกายที่เธอทั้งหลายละแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขใจไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละใจเสียใจที่เธอทั้งหลายละแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยเกายไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเนี่ยจะเห็นชัดตอนป่วยมากใช่ไหม เออมันไม่ใช่เราจริงๆอะนะมันมันปวดมากบอกให้มันหยุดมันก็ไม่ยอมใครเคยปวดเมื่อยแล้วมันบอกเลิกปวดทีสิเลยนะมันก็ไม่ยอมบ้างอะนะจะเห็นชัดว่ามันไม่ใช่ของเธอทั้งหลายมรรคก็เป็นการละสกายที่ถีถูกไหมครับการละอันนี้เนี่ยหมายถึงว่าละชันทราคาซึ่งหมายถึงตรงนี้คาว่าละเนี่ยหมายถึงอันนี้ หมายถึงว่าเจริญอริยมรรตสรุนิโรธจึงจักเป็นการละตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างแท้จริงคือละตัณหามาณทิฏฐิใช่ไหมครับใช่ก็ละตัณหามาณทิฏฐิในตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะอาศัยตาเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาก็ตั้งความปรยินดีในตาที่มีอยู่ ตั้งความปรารถนาตาในพบต่อไปเนี่ยนะยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีอยู่ตั้งความปรารถนาต่อต่อไปให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่ตนต้องการอันนี้ก็เป็นตัญหาถ้ามานะละ่ะมานะก็สำคัญว่าตาเราเนี่ยสวยที่สุดตาหูเราดีกว่าเพื่อนจมูกเราเป็นต้นเนี่ยดีเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่ตั้งแห่งความถือตัวเนี่ยนะ ลองใครไม่รู้จักมาปิดตาเราดูสิคุณมุญชูยิ้มเลยใช่ไหยอยู่ๆเขามาปิดตาเราหรอนะหรือมาแค่นี้ยไม่ต้องแตะเนื้อต้องตัวดนะ้วยหรอโสมนัสเลยะเนะนะจะจะโสมนัสก็เฉพาะเทวทูตน้อยเนี่ยแหละมาปิดแล้วจะโสมนัสนะ <laughs> คนที่เหลือโทรมนัสหมดเลย <laughs> เนะนะถ้าหลานมาทำอย่างนั้นน่ารักดีใช่คนอื่นทําไม่ได้ ผู้ ก, การถ้าใบเตยทำไม่เป็นไรแม่แจ้วทำไม่เป็นไรชอบมากเลยนะแต่คนอื่นนี่เดื อ, ด, อดร้อนเลยนถ้าคนงานมาทำด้วยยิ่งโอ้เดือดร้อนมากเลยไฟไฟลุกขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทิฏฐิเนี่ยนะ